กันที่สิบสองฉะกษัตริ์มีสามสิบหกพระคาถาชาลีกุมาโรปิมุจจรินทสารตีเรขันธาวารัง นิวาสาเปตวาจะตุทธะรัฐสหัสานิอาคตะมัคขาพิมุขาเนวะทะเปตวาตัตมิงตัตมิงปะเทเสสีหะพยัคฆะทีปิขักขาทีสุอารักขังสังวิทหิหัตถิอาธินางสัพโทมหาอโหสีติ นะบัดนี้อาตมภาพจะได้รับประทานพิสัชนาสแสดงพระสัทธธรรมเทศนาในเวสันดอนชาดกชะกษัตริย์กันที่สิบสองสืบอนุสนธิเทศนาต่อไปดำเนินเนื้อความตามวาระพระบาลีดังที่ได้ยกขึ้นเป็นนิเคปบทเบื้องต้นนั้นแล้วว่าชาลีกุมาโรปิ มุจจรินทะสรตีเรเป็นอาธิแปลความว่าพระชาลีราชกุมารผู้เป็นมกุเทศนำเสด็จกองทัพสมเด็จพระอัยกาออกไปสู่ป่าใหญ่ในครั้งนั้นนั้นไปถึงที่ใกล้บรรณสาราอันเป็นที่ประทับของพระโพธิสัตว์เจ้าแล้วจึงรับสั่งให้ตั้งค่ายในที่ใกล้สะมุจจรินให้กระบวนลด มนนีกำหนดนับได้หนึ่งมื่นสี่พันคันจอดเทียบหันหน้ากลับไปทางที่เสด็จมาจัดการให้มียามรักษาการและจุดช่องล้อมวงป้องกันเสือสิงหีรัตและสัตว์ร้ายไม่ให้มาก้ำกลายได้ในที่นั้นๆในครั้งนั้นเสียงช้างมา้าพนโยธาอึกกทึกตึกกล้องสนันวันไว้ในไพรวัน พอพระโพธิสัตว์เจ้าได้ส่งสดับเสียงกึกกล้องนั้นก็ส่งเข้าพระทัยว่าเป็นกองทัพของข้าศึกซึ่งยกไปฆ่าพระราชบิดาแล้วตามมาเพื่อจะจับพระองค์จึงส่งตโนกตกพระทัยสะดุ้งกลัวต่อมรณภันะยจึงส่งพาพระนางมัตสีคู่ทุกข่ยา่าเสด็จจากบรรณศาลาขึ้นไปทอดพระเนตรกองทัพยอยู่ที่บนยอดเขา สมเด็จพระบรมศาสดาาจารย์เจ้าจึงตรัสเป็นพระคาถาแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายที่กําลังตั้งใจสะดับพระธรรมเทศนาด้วยบทว่าเตสังสุตวานะนิคโคสังพีโตเวสันตโรอหุประตังอภิรุหิตวาพีโตเสนังอุทิคติแปลความว่า พระเวสสันดรได้ทรงสดับเสียงกึกกล้องแห่งกองทัพของพระเจ้าสีพีดังนั้นก็ทรงตกพระราชาหฤทยัยเสด็จหนีไปบนยอดภูเขาทอดพระเนตรดูเหล่าเสนาแล้วตรัสว่ามัดสีเอย๋ยเธอจงช่วยพิจารณาด้วยให้รู้ว่าเสียงกึกกล้องนั้นเป็นเสียงกึกกล้องอะไรเราเห็นว่าเป็นเหมือนเสียงช้างมา้าพลโยธาหาน ทั้งแล่เห็นปลายธงคิวสวัยอยู่ไปมามัดสีเอย๋ยธรรมดาพรานไพรซึ่งเอาขายดักร้อมฝูงเนื้อในป่าก็พากันไล่ต้อนฝูงเนื้อให้ตกหลุมแล้วจึงส่งเสียงเจ้าละวันพากันพุ่งซัดด้วยหอกเลือกข่าเอาแต่เฉพาะตัวพีพีฉันใดพวกข่าศึกที่ยกมานี้เหมือนกับพวกพรานไพรที่ร้อมพวกเราไว้ ส่วนเราทั้งสองเหมือนฝูงเนื้อเราเข้าใจว่าพวกนี้คงเป็นพวกภัยรีที่ยกไปทำร้ายกรุงศรีพีข้าพระราชบิดาเสร็จแล้วจึงได้ยกติดตามมาเพื่อจะจับเราทั้งสองในบัดนี้ดูก่อนมสัสซีตัวเรานี้ก็ทำอะไรแก่ใครไม่ได้ด้วยว่าถูกเนรเทศมาอยู่ในกลางพลยได้แต่ประพฤติพรมจรรย์เท่านั้น เราทั้งสองนี้จะตกอยู่ในเนื้อมือของเหล่าศัตรูในครั้งนี้กระมังหนาเมื่อพระนางมัตสีศีดรุณราชกัลยาได้ทรงสดับพระดรัสของพระราชาสวามีดังนี้แล้วจึงทรงพิจารณาดูกองทัพว่าเป็นกองทัพของใครที่ยกมาในคราวนี้เมื่อทรงพิจารณาไปก็ทรงทราบแน่ชัดว่าเป็นกองทัพของพระเจ้ากรุงสันชัย จึงกราบทูลให้พระราชสวามีทรงเบาพระทัยว่าถ้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอันพวกข้าศึกศัตรูหมู่ปัจจามิตรทั้งหลายย่อมไม่สามารถที่จะมากร่ำไกยเหยียบย่ำพระองค์ได้เปรียบเหมือนไฟอันไม่สามารถที่จะเผาพ่วงน้ามหาสมุทรอันใหญ่หลวงให้เหือดแห้งไปได้ฉะนั้นขอพระองค์ทรงพิจารณาดูให้รู้แน่ถุดว่า กองทัพที่ยกมานี้เป็นกองทัพของใครเป็นกองทัพของสมเด็จพระราชบิดาให้ยกมาเป็นแน่นอนตอนนี้ไปอีกไม่ช้าความสวัสดีก็จะบังเกิดมีแก่พระองค์สมกับพระพรที่สมเด็จเท้าอมรินเทวราชได้ประสิทธิ์ประสัดไว้แล้วเป็นแน่ในลำดับนั้นพระเวสสันดนบรบรมราชฤาษีทรงพิจารณาดูด้วยพระองค์เอง ก็ทรงทราบตระหนักแน่ว่าเป็นกองทัพของพระบิดาแน่แท้แล้วพระองค์จึงทรงเบาพระหฤทัยหายสะดุ้งกลัวแล้วทรงพาพระนางมัตสีเสด็จลงจากยอดคีรีบันพศไปประทับนั่งอยู่ที่หน้าพระทวารแห่งบรรณศาลาสถานที่ประทับของพระองค์ส่วนพระนางมัตรีสาวภาคกติยากลยา พระนางก็ทรงประทับอยู่ที่ประตูบรณารณาสดาของพระนางเจ้าด้วยพระอาการอันส ง, งยมงามมิได้มีอาการวันวาดสการใดด้วยมีพระหรุทัยมั่นคงวา่าเราเป็นบรรพชิตในลำดับนั้นพระเจ้ากรุงสัญชัยมหาราชจึงมีพระจานาฏประกาศสิทธิแก่พระมิ่งมิตพุทธดีว่าดูก่อนพุทธดีผู้เจริญถ้าหากว่าเราทั้งสอง จะพร้อมกันเข้าไปหาพระลูกรักในเวลานี้ก็จะเกิดความโศกีอันใหญ่หลวงควรที่เราจะเข้าไปแต่ผู้เดียวก่อนส่วนตัวเจ้าจงผ่อนเข้าไปในภายหลังคือจงคณีดูว่าพอตัวเรากับลูกบรรเทาความเศร้าโศกนั่งอยู่เป็นปกติแล้วเจ้าจงพาบริวารหมู่ใหญ่เข้าไปในภายหลังครั้นเจ้าเข้าไปคู่หนึ่งแล้ว จึงให้ชาลีกันหาตามเข้าไปเป็นลำดับที่สามครั้นเท้าเธอตรัสดังนี้แล้วจึงโปลดให้บ่ายหน้ารถพระที่นั่งกลับไปยังทางที่มาพร้อมจัดให้เจ้าหน้าที่ป้องกัน ร, รักษาในที่ต่างๆแล้วพระองค์ก็ขึ้นตรงมงคณหัตถีพระที่นั่งต้นพอเสด็จไปถึงที่อันสมควรแล้วพระองค์จึงทรงเสด็จลงจากช้างพระที่นั่ง แล้วส่งดำเนินไปสู่สำนักของพระราชโอรสด้วยความยินดีในพระราชหารุไทยเป็นกำลังเพราะเหตุนี้เมื่อสมเด็จพระชินสีศาสตราจะประกาศเนื้อความนี้ให้แจ้งชัดจึงตรัสไว้ในขุตการิกายชาดกเป็นพระคาถาว่านิวัตยิตวานะระถังวุถาเปตวาเสนิโยเอกังอรัญเย ว, วิหะรันติ ปีตาปุตตังอุปาคามิดังนี้เป็นต้นแปลความว่าครั้นสมเด็จพระราชบิดามีพระราชบัญชาให้กลับลดพระที่นั่งและให้พักจตุรงเสนาไว้แล้วพระองค์ก็เสด็จตรงไปหาพระราชโอรสซึ่งสถิตยอยู่ในป่าแต่ลําพังพระองค์เดียวครั้นเสด็จลงจากหลังช้างพระที่นั่งแล้วจึงทรงเฉวงพระอังสาด้วยพระภูษา ปนมอัญชลีล้อมด้วยหมู่อัมมาตเสด็จเข้าไปหาพระราชโอรสเพื่อจะเชื้อเชิญพระราชโอรสให้คืนครองราชสมบัติในสีผีรัฐประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรสซึ่งทรงเทศเป็นบรรพชิตประทับนั่งเพ่งพิจารณาถึงธรรมอยู่ที่บรรณาราไม่มีภัยอันตรายมาแพร่านสายพระเวสสันดรและพระนางมัสี ครั้นได้ทอดพระเนตเห็นสมเด็จพระปิตุเรศเจ้าสเสด็จมาโดยมีพระหฤทัยฝังแน่นอยู่ในพระราชโอรสก็พาการสเสด็จลุกขึ้นไปต้อนรับถวายบังคมด้วยความชื่นชมยินดีส่วนพระนางมัตสีสีสะั้ยก็หมอบลงเท่าพระบาทของพระสักสุระแล้วทูลว่าข้าแต่สมมติเทพม่อมฉันมัตสีผู้สะั้ยขอถวายบังคมบรมบงกฎบาท แห่งสมเด็จพระปิตุราชเจ้าด้วยเสียงกล้าวในบัดนี้พอพระนางมัต ส, สีกราบทูลดังนี้แล้วสมเด็จพระเจ้ากรุงสันชัยมหาราชก็ทรงกอดกษัตริย์ทั้งสองให้แอบอิงแนบกับพระสวงแล้วเอาฝ่าพระหัตถ์อ่อนนุ่มลูบพระประลิษตางอยู่ไปมาในบรรลัาดาที่นั้นแล้วทรงกันแสงคร่ำครวญด้วยดีพระไทยเป็นยิ่งนัก ครั้นเท้าเธอสร้างพระโศกาอาดูลแล้วทรงตรัสถามปฏิสันฐานกับสองกษัตรินั้นถึงทุกสุขของพระเจ้าลูกทั้งสองว่าดูก่อนพระลูกรักทั้งสองสีเจ้าทั้งสองยังสบายดีอยู่หรือเจ้าทั้งสองยังปราศจากโรกภคภัยไค่เจ็บอยู่หรือเจ้าทั้งสองยังหาเลี้ยงชีพสะดวกสบายดีอยู่หรือมีความสุขสาราญดีอยู่หรือ ทั้งหมูลูกไม้เผือกมันก็ยังหาได้ง่ายไม่ฝึกเคืองดอกหรือฝ่ายพระโพธิสัตว์เจ้าได้กราบทูลต่อพระราชบิดาว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพเกล้ากระหม่อมทั้งสองได้เลี้ยงชีพอยู่ตามมีตามได้เกล้ากระหม่อมชั้นทั้งสองมีการเลี้ยงชีพอย่างฝืดเคืองโดยได้เที่ยวแสวงหามู ล, ลาผลลูกไม้หัวมันมาบริโภค ข้าแต่พระราชบิดาเจ้าผู้เป็นมหาราชมีอำนาจแท่ภัยสารอันว่านายสารถีผู้ฝึกมา้าย่อมทรมานพาฉีให้หมดฤทธิ์ลงได้ฉันใดเกล้ากระหม่อมก็เป็นเหมือนผู้ที่ถูกทรมานให้หมดฤทธิ์ไปฉันนั้นความเป็นผู้เข็นใจย่อมทรมานเกล้ากระหม่อมให้สิ้นฤทธิ์ข้าแต่พระจอมจั ก, กรพงผู้ดำรงสีธีรัตนอกจากความทุกข์ด้วยการเลี้ยงชีพแลว้ว เก้ากระหม่อมผู้ถูกในประเทศยังเสวยน้ำพระเนตรอยู่หลายเวลามีเนื้อหนังซูบซีดเหี่ยวแห้งเพราะไม่ได้เห็นพระองค์ผู้เป็นพระราชบิดากับพระราชมารดาทุกอันนี้ย่อมเป็นทุกข์อันยิ่งใหญ่กว่าทุกขที่เก้ากระหม่อมทั้งสองต้องลำบากด้วยการเลี้ยงชีพพระเจ้าค่ะครั้นพระโพธิสัตว์เจ้ากราบทูลเรื่องของพระองค์จบลงอย่างนี้แล้ว จึงทูลถามถึงข่าวคราวพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งสองว่าข้าแต่พระองค์ผู้ครองสีพีรัฐพระชาลีและกันหาผู้ซึ่งพระองค์ทรงหวังไว้กาจะได้ดำรงตำแหน่งรัชทายาทแต่ยังไม่สมพระราชประสงค์ได้ตกไปอยู่ในอานาจของพราหมชาราผู้ทุกพลภาพหยาบช้าหลายเวาเลาแล้วพราหมชารานั้นได้ตีต้อนชาลีและกันหาทั้งสองไป เหมือนกับเจ้าของโคที่ตีต้อนฝูงโคไปฉะนั้นเกล้ากระหม่อมฉันขอกราบทูลถามว่าพระองค์ยังทรงทราบอยู่บ้างหรือว่าชาลีกับกันหาตกไปอยู่ในที่ใดถ้าพระองค์ทรงทราบก็ขอได้ทรงกรุณาโปรดรีบตัดบอกแก่เกล้ากระหม่อมฉันทั้งสองให้ทราบเพื่อบรรเทาความทุกโศกที่เกิดขึ้นกับเกล้ากระหม่อมฉันทั้งสองให้เหมือนกับนายแท ผู้ช่วยพยาบาลบุคคลที่ถูกงูกัดเมื่อพระเจ้ากรุงสัญชัยได้ทรงสดับคำทูลถามดังนี้จึงรีดตรัสตอบว่าชาลีและกันหาทั้งสองนั้นบิดาได้สละทรัพย์ไถ่ตัวจากพรามไว้แล้วขอพระลูกแก้วอย่าเป็นทุกข์ถึงชาลีและกันหาเลยฝ่ายพระโผที่สัตว์เจ้าครั้นได้ทรงสดับข่าวพระเจ้าลูกทั้งสองแล้วก็ส่งปลื้มพระหฤทัยยิ่งนัก ทรงดําริอยู่ว่าสมกับพระพรชัยที่เท้าสหัสนัยเทวราชได้ทรงประสิทธิ์ประสิทธ์ไว้ให้แล้วนั้นจึงกลับทูลสนองพระดํารัสของพระราชบิดาว่าข้าแต่พระราชบิดาเจ้าพระองค์ยังทรงเป็นสุขสบายดีอยู่หรือไม่มีพระโรคภัยมากํากลายพระองค์หรือพระเนตรทั้งสองของพระราชมารดาเจ้าก็ยังเป็นปกติอยู่หรือพระเจ้าสันชัยจึงตรัสตอบว่า ลูกเอ๋ยบิดายังเป็นสุขสบายอยู่จักสุมาดาของเจ้าก็ยังเป็นปกติอยู่พระเวสสันดรจึงตรัสถามต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอัลลัมเลิศยดญานภานะของหลวงก็ยังเป็นปกติอยู่หรือประชาชนทั้งปวงก็เป็นสุขสบายดีอยู่หรือทั้งฝนก็ยังตกต้องตามฤดูกาลอยู่หรือพระพุทธเจ้าข้า พระเจ้าสัญชัยจึงตรัสตอบว่าลูกเอย๋ยยวดยานพาหานะของหลวงก็ยังเป็นปกติอยู่อีกทั้งฝนก็ได้ตกถูกต้องตามฤดูกาลและช้างปัจจยนาชาพระนครการิงคาราชก็ถวายมอบคืนกลับมาแล้วเป็นอันว่าในประเทศบ้านเมืองของเรามีความสุขเป็นปกติเหมือนแต่ก่อนมาเมื่อกษัตริย์ทั้งสาม คือสมเด็จพระเจ้ากรุงสัญชัยขัตติยาธิเบศกับพระเปรตสันดอณราชดุสีและพระนางมัสีเกียรติกริย์ทรงนั่งสนทนากันอยู่ด้วยประการละชนีฝ่ายสมเด็จพระนางพุทดีผู้เป็นพระราชชนนีก็ทรงกำหนดเห็นว่าเวลานี้กริย์ทั้งสามคงส่างความเศร้าโศกโศกีแลวก็นางเธอจึงเสด็จเคล้าคราดจากที่ประทับ พร้อมด้วยสนมกันนำนายเป็นอันมากพอเสด็จไปถึงปากประตูเขาวงกฏใกล้บรรณศาสราของพระราชโอรสพระนางก็ถอดฉลองพระบาทออกทรงพระดําเนินไปด้วยพระบาทป่าจนเสด็จเข้าไปถึงที่ใกล้บรรณศาลาเมื่อพระราชโอรสและพระนางมัตตีได้ทอดพระเนตรเห็นพระราชชนนีผู้มีพระหฤทัยจดจ่อห่วงใยอยู่ในพระราชโอรสเสด็จมาดังนั้น ก็พร้อมกันลุกขึ้นไปต้อนรับถวายอภิวาสส่วนพระนางมัสสีราชกัลยาก็หมอบลงแทบบาทของพระสัตรุธิราชแล้วกราบทูลว่าถ้าแต่พระราชมารดาเจ้าเกร้ากระหม่อมฉันมัสสีผู้เป็นศรีสะพยของพระองค์ขอถวายบังคมซึ่งพระบาทยุคนทั้งคู่ด้วยเสียงเกร้าในบัดนี้ในขณะนั้นนั่นเองพระกันหาชาดีภาคินนัดดานาฏ ก็แวดล้อมด้วยอนเนกกุมารราชบริพารเสด็จขึ้นบรรณสาสราสถานทิพยานิเวศส่วนพระนางมัสสีเมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นพระเจ้าลูกทั้งสองพระองค์ก็มิอาจที่จะคงพระสรีรากายให้ดำรงอยู่ได้มีจิตและสัมละสายหวั่นไหวพระนางทรงพระกันแสงคร่ำครวนสเสด็จแล่นจนสุดแรงไปโดยไม่รอรั้งเหมือนหนึ่งแม่โคโนมอันพัดพรากนิราชร้างจากลูก รั้นได้แลเห็นลูกแล้วก็สุดกำรรสรดเทเวศสมเด็จพระอัคระเรศราชมันดามีพระสรีรากายนีกัมปนาตจุดแม่มดอันปีศา์เข้าสู่สิงส่วนสองกุมารกุมารีก็รีดวิ่งเข้ากอดพระชนนีสามกษัตริย์ก็ทรงโศกีรำพันพิราชจนถึงซึ่งวิสัญญีภาพสรุปไปส่วนสองพระกุมารกุมารี ก็เป็นลมลมทับพระมานดามีเรื่องที่น่าพิศวงสังเวชคือว่าขีรัฐาราอันได้แก่น้ํานมก็ไหลออกจากพระยุคนถันเข้าในครองพระโอษของสองกุมารกุมารีนั้นพระอัฏกษตริยาจารย์อธิบายว่าหากว่าพระชาลีพระกันหามิได้เสวยขีรวาลีรสคือน้ํำนมของพระนางมัคสีแล้วไซ้พระหฤทัยก็จะระทวยทด วดเหือดแห้งหายก็จะโวดวายวางพระชนชีวิตเลยทีเดียวส่วนสมเด็จบรมบพิษพระเวสสันดรเมื่อได้ทรงทอดพระเนตรสองบองอ่อนอัคระปิโยรสก็ทรงพระกรรมสรดสิ้นสมปรีภีองค์สมเด็จพระไอยกคีก็ทรงเท่ากันแสงสุดแสนพิราบจนถึงบิสันยีภาพไปทั้งหพระองค์บรรดาพวกโผนพลจตุรงขมนตรี ทั้งแสนสาวสนมนารีนิกรกำนันในต่างก็ชวนกันโศกสันแล้วสรบปซบเสียนสังเวชทั้งสิ้นอยู่ในบริเวณโดยรอบแห่งบรรณสาราเปรียบประหนึ่งว่ากำลังลมยุคคันธวาดอันพัดสารวันให้ล้มลงเนรนาศเป็นอัศจรรย์ขณะนั้นพลันบังเกิดโกรหลนทั่วทั้งสากลกำเลิก รอบสถานสะเทือนถึงขอบเขตจักรวาลพื้นแผ่นพะสุทานี้ก็กำปนาาตรอดถึงภูมพะสุทาวาสอันสูงสุดทั้งมหาสมุทรสาครก็ตีฟองนองระรอบคลื่นกระทบกระทั่งฝังกระชอกอยู่ชาดฉานทั้งขุนเขาป่าหิ ม, มาพานตัตพันธ์สิเนรุราชก็น้อมยอดอย่างจะอภิวาทพระบารมีส่วนสมเด็จเท้าส ก, กเทวราช เมื่อทรงพิจารณาก็ทรงทราบถึงเหตุแห่งความเหล่านั้นจึงทรงดำริว่าถ้ากษัตริย์ทั้งหกพระองค์พร้อมด้วยราชบริพานทั้งหลายได้ถึงวิสัญญีภาพสรบสลายกันไปหมดแล้วไม่มีใครแม้สักคนหนึ่งที่จะสามารถลุกขึ้นเอาน้ำลดพรมสรีรักของใครได้เท้าสักกะเทวราชจึงดำริว่าเอาเถิดเราจักยังผลโบก ข, ขอรพัให้ตกลง แล้วจึงทรงบันดาลหาฝนโบกขอรพัฒให้ตกลงในที่ประชุมแห่งขติยะบงสาทั้งหกผู้ใดต้องการให้เปียกก็จะเปียกด้วยน้ำฝนนี้แต่ถ้าผู้ใดไม่ประสงค์จะให้เปียกฝนโบกขอรพัฒแม้สับยดอยากเดียวก็จะไม่แต่ต้องถูกกายบุคคลผู้นั้นจะเป็นเหมือนกับน้ำฝนที่กลิ้งอยู่บนใบบัวด้วยประการลชนี้กษัตริย์ทั้งหกพร้อมทั้งประยุนญาต และหมู่เสนาอัมมาตผู้ติดตามก็ค่อยบรรเทาทุกโทมานัดชุ่มชื่นต่างก็ได้สติฟื้นคืนสมปีผลจากวิสัญญีการสรบนั้นแลเมื่อพระศ า, าสดาสัมมาสาัมพุทธเจ้าจะทรงประกาศข้อความเหล่านั้นจึงทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้เห็นไทยในสังสารวัฏเมื่ออัศจรรย์บันดาลบังเกิดจราจนทั่วสากลโลกธาต ทั้งหาผลโบกขอรพัฒพิรุณศาสตร์ตกลงประพรมในตำแหน่งขติยาสมควรจะปรีดาทุกหมู่หมวดมุขขมาติยาทิชาชาติเสนาพฤกษามาตรราชกวีอีกทั้งพัฒสนมนารีนิกรอนงทั้งปวงพระหนพ่ผลจตุรงข้าประชากรก็บังเกิดโรมชาติลุกชูชันครามครันในพระเดชแห่งพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ ต่างก็พากันน้อมเกสากราบบังคมทูลว่าข้าแต่พันเรศทระสุระสมุติเทวราชจงทรงพระกรุณาโปรดอดโทษที่กรากระหม่อมได้สดประมาติหุ่นหลังมาขอเชิญเสด็จละองธุลีพระบาทลาผนวดพลยทรงขัตติยวิสัยสวรรคเยสคืนพระนครอันวิเศษด้วยสิริสมบัติสืบเสวยสวรร ญ, ญาธิปัตถวันบง เป็นมิ่งมงกุฎดำรงสกลอาณาจักรจะได้เป็นที่พำนักแก่เหล่าสัพพสัตย์ผสกนิคอนให้บรรเทาที่ทุกข์เดือดร้อนระงับภัยดุจมหาสเสวีฉัดชัยอันกลางกัน้นให้ร่มเย็นทั่วไปทุกอนเนกอนันนิกรประชาชนจงทรงพระกรุณาโปรดรับนิมนต์ข้าพระบาทหูงเสนาพึกธามาตรราชประชาอันกราบทูลอาราธนานีด้วยเถิดพระเจ้าค่า เพราะเหตุการณ์ดังนี้แลสมเด็จพระชินสีศาสดาจึงโปรดประทานพระเทศนาโดยตรัสเป็นพระคาถาว่าสมาคตานังยาตีนังมหาโคโสอาชายะทะตับพะตาสมนาทิงสุมหิอากมะปิตาอาหุแปลความว่าเมื่อพญาติทั้งหลายได้มาประชุมพร้อมกันแล้วก็เกิดเสียงบรรเลือกึกก้องขึ้น ภูเขาทั้งหลายก็สั่นสะเทือนพื้นแผ่นทัุธาก็เกิดอาการไหวฝนโบกขอระพัดอันมีลักษณะเหมือนกับน้ำบนใบบัวก็ตกลงมาทันทีเมื่อพระเวสสันดรราชเชลีพระเจ้ากรุงศรีพีพระนางทุษฎีพระนางมาัตสีพระชาลีและกันหาประชุมพร้อมกันประชาชนทั้งปวงก็พร้อมการประนมกรอัญเชลี มอบลงแทบพระบาทแห่งพระเวสสันดรโพธิสัตว์เจ้าร่ำ ร, ร้องคร่ำกรวญเฉพาะต่อนหน้าพระชินสีและพระนางมัต ส, สีกราบทูดอัญเชิญว่าถ้าแต่สมมติเทศขอพระองค์ทั้งสองจงเป็นพระราชาธิพปดีแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายมหาชนประสงค์จะอภิเษกทั้งสองพระองค์ในสถานที่นี้นี้แหละแล้วจะนําเสด็จสู่พระนคร เข้ารับสเสวติตตะชัดอันมีอยู่ในราชสกุลในบัดนี้เถิดอจตมภาพรับประธานวิสัชนาสแสดงพระสัตว์ธรรมเทศนาในเวสันดอนชาดกฉากษัตรกันที่สิบสองก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วจะได้สแสดงกันที่สิบสามนครกันสืบต่อไป